ที่ 5. เรื่องยศตอนยศอภัยยศบางท่านอาจคิดว่าเรื่องยศยศศักดิ์เป็นเรื่องของทหารและตำรวจเขาพลเมืองไม่เกี่ยวดังนี้ก็ได้จึงขอเรียนไว้ก่อนว่าความคิดเห็นเช่นนั้นยังคลาดเคลื่อนอยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกับความหมายของโลกธรรมเลย เพราะเรื่องของโลกธรรมทั้ง8ดข้อจะต้องกระทบจิตใจของชาวโลกทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นชาวบ้านนี้ไม่พ้นแม้ในโลกธรรมสูตรพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าโลกธรรมทั้ง8ดข้อนั้นเกิดขึ้นแก่คนทุกคนทั้งปุถุชนทั้งอริยชนเพราะฉะนั้นเรื่องยศตามความมุ่งหมายของโลกธรรม จึงเป็นเรื่องที่เกิดแก่คนทั่วไปอย่างแน่นอนไม่ใช่ท่านเจาะจงไว้ให้แก่ทหารกับตำรวจเท่านั้นหรือถ้าเป็นความมุ่งหมายอย่างนั้นเรื่องนี้จัดว่าเป็นโลกธรรมไม่ได้คงเป็นแต่ทหารทำรรหรือตำรวจ ร, รมเท่านั้นแต่ความหมายของโลกธรรมจะต้องกว้างขวางเกินความเข้าใจที่ว่ามานั้นอย่างแน่นอนเรื่องใหญ่ยิ่งของโลก มีอยู่ด้วยกันสี่เรื่องเรื่องลำดับที่หนึ่งคือเรื่องลาบที่ว่ามาแล้วเรื่องยศนี้ก็เป็นหนึ่งในสียเรื่องใหญ่ของโลกเป็นลำดับที่สองรองลงมาจากลาบและเป็นแดนอารมณ์สะเทือนใจที่ทำให้คนดีก็มากทำให้คนเสียก็มากมีตัวอย่างที่เห็นกันอยู่ทั่วไปทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผู้ประพฤติ ธ, ธรรมจึงน่าจะได้ศึกษาและพิจารณาเรื่องนี้อย่างกว้างขวางพอที่จะต้านทานความทุกข์ได้โปรดทำความเข้าใจความหมายของคำว่ายศก่อนยศแปลว่ายิ่งคือเป็นยอดเป็นจอมเป็นที่เด่นจึงเรียกว่ายิ่งต้องพยายามทำความเข้าใจเรื่องยิ่งเสียก่อนแล้วจะเข้าใจเรื่องยศง่ายเขา้า คือของแต่ละอย่างมันมีความยิ่งอยู่ในตัวของมันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งหมายความว่าของสิ่งหนึ่งหนึ่งหรือสถานที่แห่งหนึ่งหนึ่งมันมีส่วนประกอบอยู่หลายอย่างแต่ในหลายๆอย่างนั้นมันก็จะมียิ่งอยู่อย่างหนึ่งจะยิ่งในทางปริมาณหรือคุณภาพก็แล้วแต่เช่นภูเขาลูกหนึ่งก็มีส่วนประกอบอยู่หลายอย่างอาทิ ต้นไม้หญ้าดินหินกรวดทรายและอื่นๆทีนี้ถ้าเราจะหาที่ยิ่งของภูเขา ว, ว่ามันยิ่งด้วยอะไรเราก็จะพบว่าในบรรดาสิ่งที่มีอยู่ในภูเขานั้นมีอยู่อย่างหนึ่งที่มากกว่าเพื่อนคือหินเพราะฉะนั้นถ้าใครถามว่าภูเขายิ่งด้วยอะไรเราก็ตอบว่า เขายิ่งด้วยหินทะเลละ่ะยิ่งด้วยอะไรโดยหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันเราก็ตอบว่าทะเลยิ่งด้วยน้ําดังนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังโปรดคิดหาที่ยิ่งของวัตถุและสถานที่อื่นๆลองดูประเทศไทยยิ่งด้วยอะไรคนไทยวัดยิ่งด้วยอะไรพระ ทุ่งนายิ่งด้วยอะไรคันนาป่าดงยิ่งด้วยอะไรต้นไม้เถาวันเชียงกงยิ่งด้วยอะไรซากรถเก่าๆสวนสัตว์ดุสิตยิ่งด้วยอะไรสตัตว์ต่างๆและอื่นๆ อ, อีกทีนี้ย้อนเข้าหาเรื่องคนคนเราก็มีความยิ่ง คนละทางสองทางเหมือนกันยิ่งในทางดีเรียกว่ายศถ้ายิ่งในทางเสียเรียกว่าอัปยศอย่างที่เราชอบพูดกันว่านาอัปยศอดสูดังนี้เป็นต้นตอนยศสามความยิ่งในทางดีที่สาธุชนยอมรับนับถือ เมื่อว่าโดยย่อเฉพาะหัวข้อใหญ่ๆมีสมทางคือกอไก่ยิ่งด้วยความเป็นใหญ่เรียกว่าอิสริยยศขอไข่ยิ่งด้วยพวกพ้องเรียกว่าบริวารยศขอควายยิ่งด้วยชื่อเสียงเรียกว่าเกียรติยศตกลงว่ายศมีอยู่สามอย่างคืออิสริยยศ บริวารยศและเกียติยศเพียงแต่แฉรายชื่อออกมาเท่านั้นท่านก็เห็นได้แล้วว่ายศเป็นสิ่งที่มีได้แก่ทุกคนรวมทั้งตัวท่านและก็คงจะยอมรับทั่วกันว่าความเข้าใจของบางท่านบางคนที่ว่ายศเป็นเรื่องของตำรวจทหารนั้นยังคลาดเคลื่อนอยู่จริงๆการที่มีบางท่านอาจเข้าใจเช่นนั้น เนื่องจากไปสำคัญว่าดาวบนบ่านั้นเป็นยศที่จริงไม่ใช่ดาวเป็นเพียงเครื่องหมายยศยศจริงๆเป็นสิ่งที่อยู่ในเนื้อในตัวของเขาแล้วท่านที่มียศเป็นแนวร้อยในพันหรือในผลนั้นย่อมถือว่ามียศตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ว่าจะประดับดาวเครื่องหมายยศหรือไม่ขอโทษเถอะท่านก็คงเป็นแนวร้อยในพันอยู่นั่นเอง ตอนความดีของยศก่อนที่จะบรรยายรายละเอียดต่อไปใครจะเรียนให้ทราบถึงประโยชน์ของความมียศไว้เล็กน้อยก่อนเหมือนโฆษณาหน้าร้านชวนให้ลูกค้าเข้าไปชมสินค้าในร้านแทนที่จะผ่านเลยไปเสียแล้วถ้าหากเป็นไปได้ก็อยากจะแก้ความเห็นที่ว่ายศแกงกิ่นไม่ได้นั่นเสียด้วย ยศทั้งสามอย่างนั้นมีไว้แล้วดีจริงๆคนฉลาดจึงอยากได้และอยากมีแม้ทางศาสนาก็สอนให้รู้จักขวนขวายสร้างยศขึ้นไวในตัวหรือทำตัวให้เป็นคนมียศหลักฐานมีอยู่เป็นอันมากทั้งที่เป็นพุทธว จ, จนะทั้งที่เป็นคําของเกจิอาจารย์ในเรื่องกุมภพักโคสกะวัตถุแห่งคมพี ธรรมปฏากาถากลาปฏิปทาที่จะทำให้ได้ยศไว้ว่าอุตานวโตสติมโตสุจิกัมมะสะนิสสัมมการิโนสันตัสสะธรรมชีวิโนอัปปมัตัสสะยะโซพิวัตติถอดความเป็นภาษาไทยได้ว่ายศย่อมเจริญแก่คนขยันทำงาน มีความรอบคอบทำงานสะอาดมีความตำริกดีรู้จักระวังตัวเลี้ยงชีพโดยชอบทำทั้งไม่มัวเมาประมาทจากบาลีคาถานี้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้นิยมความเป็นคนมียศในมหาสมัยสูตรสวดมนต์ฉบับหลวง กล่าวถึงคุณสมบัติพิเศษของเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้ามีว่าอิทธิมันโตยุติมันโตวันนวันโนยสัสสิโนซึ่งหมายถึงว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มีรัศมีโชดช่วงมีผิวพรรณงดงามและมียศจากบาลีบทนี้ชี้ให้เห็นอีกแง่หนึ่งว่า ยศเป็นส่วนหนึ่งของความสำคัญหรือบุคลิกลักษณะของเทวดาซึ่งเป็นพวกสวรรค์และการที่พระพรนานาให้มนุษย์ฟังก็ย่อมแสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่ายศเป็นสิ่งสำคัญที่พวกมนุษย์ก็สนใจด้วยเพราะถ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่นิยมอยู่แล้วก็ปุ่ยการจะมาชมให้ฟังในพรพระเจ็ประการ ที่พระท่านสวดอวยพรเวลาเราทำบุญมงคลต่างๆก็มีคำอวยพรให้มียศรวมอยู่ด้วยคำบาลีที่พระสวดอวยพรเจ็ประการนั้นว่าตอนพอรเจ็ 7, อายุวัฒโกให้ท่านเจริญด้วยอายุธนวัฒโกให้ท่านเจริญด้วยทรัพย์ สิริวัทโกให้ท่านเจริญด้วยสิริยศสวัทโกให้ท่านเจริญด้วยยศพลวัทโกให้ท่านเจริญด้วยกำลังวันนวัทโกให้ท่านเจริญด้วยผิวพรรณสุขวัทโกให้ท่านเจริญด้วยความสุขในพรพระอีกต่างแห่ง ก็ได้จัดเอายศเป็นพอรอยู่เหมือนกันดังบาลีที่พระสวดเวลาอวยพรว่าเจยสิทธิทนังลาพังโสธิภากยังสุ ข, ขัางพลังสิริอายุจวันโนจักโพกังวุ ธ, ธีเจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธีพระวันตุเตคำว่ายัสวาในคาถานี้แปลว่า ให้เป็นผู้มียศเช่นเดียวกับในพรเจ็บประการนั้นเหมือนกันการที่ยศมาปรากฏในพรพระอย่างนี้ยอมแสดงให้เห็นว่าบุคคลทั้งสองฝ่ายเห็นว่ายศมีประโยชน์คือฝ่ายพระก็ต้องรับรองว่ายศเป็นของดีจึงได้ให้เพราะท่านเป็นผู้หวังดีต่อชาวบ้านถ้าท่านเห็นว่าไม่ดีท่านก็คงไม่ให้ และเป็นการยืนยันด้วยว่าฝ่ายชาวบ้านก็ต้องเห็นว่ายศ ด, ดีเหมือนกันถ้าหากยศเป็นของที่ชาวบ้านเกลียดอยู่แล้วฉะไหนท่านจะนำมาให้และท่านสวดอวยพรให้แก่คนทุกชั้นตั้งแต่พระราชาลงมาจนถึงคนสามัญทั่วไปและแม้แก่พระสงฆ์ด้วยกันว่าจะพูดถึงความดีของยศก็เลยยังไม่ได้พูดมวัวไปพูดถึงเรื่องว่า ทางพระท่านก็สนับสนุนให้เป็นคนมียศกลับเข้าเรื่องเสถียียศดีอย่างไรที่ว่ายศ ด, ดีนั้นดีตรงที่ว่ายศเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทั้งปวงจำเอาไว้ง่ายๆดังนี้อิสริยยศชนะอุปสรรคบริวายศชนะงานเกียรติยศชนะภยัย ที่ว่าอิสริยยศชนะอุปสรรคคือว่าคนที่มียศนี้ที่เรียกว่าผู้เป็นใหญ่หรือพูดภาษาชาวบ้านว่าคนใหญ่คนโตไม่ว่าจะคิดทำอะไรอุปสรรคต่างๆมักจะแคล้วคลาดหลบหน้าหนีหมดเห็นกันอยู่ทั่วไปยกตัวอย่างการเดินทางถ้าคนสามัญธรรมดาจะไปไหนไหน มักจะเต็มไปด้วยอุปสรรคร้อยแป0อย่างหารถไม่ได้รถมีแล้วก็ซื้อตั๋วไม่ค่อยได้มีตั๋วแล้วก็หาที่นั่งไม่ค่อยได้หมายความว่ามันให้มีอุปสรรคคอยดักเป็นเปราะๆอยู่ตลอดทางขอโทษเถอะอย่าว่าแต่จะเดินทางไปถึงบ้านอื่นเมืองอื่นเลยเพียงแต่ทางจากบ้านออกมาถึงปากตรอกก็ยากไม่ใช่น้อย ให้มีอันลื่นซ้ายลื่นขวาดูมีอาการทุเรศทุรังเหมือนกับคนเป็นสันิบาตกระตุกหรือคนเต้นระบำคองก้าอะไรอย่างนั้นแหละแต่ถ้าใครมีอิสริยยศมากๆสมมติว่าเป็นถึงรัฐมนตรีหรือเป็นถึงเจ้าบ้านผ่านเมืองผู้ยิ่งใหญ่พอออกปากว่าจะไปคำเดียวเท่านั้น รถราฟ้าดินก็พลอยเป็นอกเป็นใจไปหมดบางทีถึงกับแย่งกันเสนอเข้ามาคอยรับใช้ถนนหนทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อก็ราบเรียบเป็นหน้ากลองนี่เฉพาะเรื่องไปในเรื่องอยู่ก็เหมือนกันความขัดข้องเกี่ยวกับไม่มีบ้านเช่าขัดข้องไม่มีเงินเสียแป๊เจียขัดข้องไม่มีเงินค่าเช่า หรือขัดข้องไม่มีใครเขาให้พักพาอาศัยเป็นอันไม่มีแล้วเรื่องกินก็ไม่เห็นมีอะไรขัดข้องที่จะขัดข้องเพราะข้าวสารหมดเพราะฐานไม่มีเป็นอันเลิกพูดกันได้ถ้าเป็นใหญ่แล้วก็มีคนเขาอยากให้กินถ้าจะมีขัดข้องอีกทีก็ขัดข้องตรงที่ไม่สามารถไปกินให้เขาได้วัดไหว เพระติดขัดที่ต้องไปกินให้อีกคนหนึ่งที่เขาเชื้อเชิญมารวมความว่าถ้ามีอิสริยยศมากๆแล้วอุปสรรคมันกลัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องนอนเรื่องไปและเรื่องอะไรต่อมิอะไรอีกเยอะแยะมันไม่สู้ทั้งนั้นขอให้ใหญ่พอก็แล้วกันผมอยากจะว่าอุปสรรคทั้งหลาย มันเป็นพักพวกคนไม่มีอิสริยยศมันรักใคร่ชอบพอกับพวกคนที่ว่านี้เหลือเกินพอคิดว่าจะทำอะไรเป็นต้องรุมกันเข้ามารับหน้าทั้งสิบทิศทีเดียวเพียงแต่จะหุงข้าวกินสักหม้อหนึ่งก็ให้มีอันขัดโน่นขัดนี่หน้ารำคาญเสียจริงๆถ้าว่าจะไปไหนไปไหนกับเขาบ้าง พอที่จะได้นั่งก็ต้องยืนพอที่จะได้ยืนก็ต้องเดินพอที่จะได้เดินก็ต้องวิ่งไม่เหมือนคนมีอิสริยยศซึ่งเอาชนะอุปสรรคได้เด็ดขาดนักอิสริยยศคืออะไรยังไม่ได้พูดว่าค้างไว้เท่านี้ก่อนแล้วจะขยายความในตอนต่อไปว่าเรื่องบริหารยศชนะงานต่อไป คนเราทุกคนมีงานต้องทำงานทำกินงานทำอยู่งานทำใช้งานดูงานฟังงานที่เราต้องทำนับไม่รู้จักหมดทีนี้สมรรถภาพในการทำงานของคนเราแต่ละคนมันน้อยกว่างานที่จะต้องทำพูดอีกทีก็มีงานเกินกำลังที่เรามีอยู่เป็นอันมาก เรามีกำลังพอจะยกของหนักได้ประมาณ50ถึง6กิกิโลกรัมแต่ของที่เราจะต้องยกหนักกว่านั้นเพียงข้าวสารหนึ่งกระสอบก็เกินกำลังแล้วสายตาเราสามารถจะดูอะไรได้เพียงระยะจำกัดตีเซว่า100่เมตรแต่สิ่งที่เราจะต้องดูอยู่ไกลกว่านั้นถึงลำปางเชียงใหม่ก็มี หูเราสามารถจะฟังอะไรได้ในระยะห่างจากคนพูดตีเสียว่า20เมตรแต่สิ่งที่เราต้องการจะฟังอยู่ใกล้กว่านั้นอีกหลายร้อยหลายพันเท่าก็มีท่านผู้ฟังก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าคนเรามีกำลังไม่พอกับงานบางทีเราเผลอไปถนัดนึกกระยิมว่าตัวเก่ง มองเห็นเมืองทั้งเมืองเป็นสิ่งที่ตัวเองบันดาลขึ้นมาแต่ความจริงแล้วถ้าเช็คกันออกไปจริงๆก็จะพบว่าเราเองทำด้วยตนเองจริงๆเพียงนิดเดียวเท่านั้นในฐานะที่ผมเป็นข้าราชการและเป็นผู้รับผิดชอบในงานบางอย่างอยู่ขณะนี้ทราบแก่ใจว่าหนังสือตอบโต้ที่ส่งออกไปนั้น ผมทำกับมือตอนเองจริงๆเพียงลงชื่อตัวเองเท่านั้นแหละอย่างนี้มีมากส่วนตัวอักษร น, นับร้อยๆในหนังสือเรื่องนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาของผมตั้งหากเป็นผู้ทำถูกถ้าหากท่านผู้ใดจะแย้งว่าผู้บังคับบัญชาก็ทำการตรวจและการรับผิดชอบอย่างไรละ่ะผมไม่เถียง แต่ในที่นี้ผมก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นรับผิดชอบหากพูดถึงการกระทำเช่นนั้นคือทำหนังสือเป็นตัวตัวน่ะใครทำกันแน่คนที่ขนเอาหินมาเทถมถนนแล้วก็ลากยางไปได้ยาวเป็นระยะ 200-300 กิโลเมตรเป็นใครถูกแล้วท่านอธิบดีเป็นคนสั่ง แต่ผมก็ไม่ได้พูดประเด็นการสั่งงานแต่พูดถึงคนทาที่ยกบุ่งกีหลังขดหลังงอนอะ่ะก็เป็นใครใครอีกนับร้อยต่างหากที่พูดนี้ไม่ใช่ผมมาพูดเอาความชอบให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือค่อนว่าแก่ผู้ใดก็หาไม่แต่อยากจะพูดในแง่ที่ว่าคนเราคนหนึ่งหนึ่งนี้มีกำลังจำกัดมีงานอีกมากมาย เกินสมรรถนะวิสัยการที่เราจะชนะงานที่เกินไปนั้นได้ต้องมีคนช่วยยกให้ช่วยดูให้ช่วยฟังให้แล้วแต่เรื่องนั้นคนที่มีบริวารยศคือมีพวกพ้องมากๆเอาชนะงานได้มากและกว้างขวางดีกว่าคนที่มีบริวาร น, น้อยหรือไม่มีบริวารเลย บางท่านอาจคิดว่าไม่ต้องมีพวกพร้อมก็ได้ถ้าเรามีเงินหรือมีทรัพย์เรื่องนี้ผมขอค้ารไว้ก่อนจะเอาไปแก้ตอนอธิบายบริวารยศเพียงขอเรียนไว้ว่าเงินทองที่เราจ้างคนอื่นก็ดีหรือสิ่งของที่เราแจกจ่ายเลี้ยงดูคนอื่นก็ดีแต่ละอย่างเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับทําให้คนอื่นเป็นบริวารของเราเท่านั้น เช่นเราเอาเงินให้เจ้าของร้านอาหารเจ้าของร้านอาหารได้เงินจากเราแกก็กลายเป็นพวกพ้องของเราแล้วจัดแจงทำอาหารให้พวกเรากินกินเสร็จแล้วก็เลิกเป็นพวกพ้องกันเสียทีหนึ่งเราพูดขอร้องใครเขาดีๆเขาเห็นเราพูดน่าสงสารเขาก็เป็นพวกพ้องเราแล้วทํางานให้เรา ตกลงว่าสิ่งที่เราอ้างถึงเช่นเงินทองเป็นต้นเป็นเพียงเครื่องมือสําหรับทําคนอื่นให้เป็นพวกผ้องหรือเป็นบริวารเท่านั้นเพราะฉะนั้นในการจัดประเภทยศท่านจึงจัดไว้เพียงบริวารยศนั้นไม่มีธนยศหรือฮิรัญยศอยู่เลยข้อที่ว่าเกียติยศชนะภัย คือว่าคนที่ทำความดีบำเพ็ญประโยชน์แก่มหาชนจนมีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพบูชาของคนทั่วไปแล้วตาปกติย่อมเป็นผู้ห่างจากภัยคือไม่มีใครรังแกข่มเหงจริงอยู่ในถ้ากลางมวลบัณฑิต ก, ก็ย่อมมีคนพาลปะปนอยู่ด้วยและในถ้ากลางมหาชนผู้รักดีรักสงบก็ย่อมมีคนเจร้ายอันธพาล เป็นผู้คอยก่อกวนหรือเป็นมาล้างผลาญผู้ทำดีผู้มีเกียรติยศอาจได้รับภัยจากคนประเภทนี้แต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้น้อยและถึงแม้จะมีขึ้นมหาชนผู้รักดีก็จะช่วยคุ้มครองป้องกันให้นี่เป็นเหตุชั้นเปลึกเปลือกถ้าพิจารณาทางด้านสภาพของจิตใจ คนที่ทำตัวเป็นภัยแก่คนอื่นเนื่องจากถูกกิเลสบีบรัดจิตใจจนทำให้เกิดดิ้นรนทำความชั่วร้ายเช่นถูกความโกรธความริษยาความละโมบเหล่านี้เป็นต้นครอบงำชื่อเสียงของผู้มีคุณความดีที่ฟุ้งขจรไปนั้น นอกจากจะเป็นที่ได้ยินและเป็นที่รู้จักของประชาชนเท่านั้นแล้วยังมีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งอยู่ในตัวคือชื่อเสียงนั้นได้เข้าไปคลี่คลายความเหี้ยมโหดในใจของผู้ได้ยินลงได้อย่างประหลาดการที่ผู้มีความมุ่งร้ายในใจจะบ่ายหน้าไปทำร้ายคนสามัญทั่วไปนั้นรู้สึกว่าเป็นของง่าย แต่ถ้าบ่ายหน้าเข้าไปหาท่านผู้มีเกียรติอันสูงเด่นย่อมเป็นความลำบากหาน้อยไม่เพราะเป็นการเดินทวนกระแสเหมือนเดินบ่ายหน้าไปทางดวงตะวันสองหน้ายากกว่าเดินขันหลังให้ตะวันนั่นเองทุกๆขณะที่เขาเคลื่อนใกล้เข้าไปหาผู้ทรงคุณความดีจะด้วยทางกายก็ตามทางความนึกคิดก็ตาม กิเลสร้ายที่บีบรัดจิตของเขาจะคลายตัวลงทุกขณะพูดมาถึงตรงนี้ใครฝากไว้ให้คิดสักนิดว่าการที่ทางศาสนาสอนให้เราลำลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธานุสตินั้นก็ด้ดยเหตุผลตามที่ว่ามาแล้วคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงเกียรติคุณอย่างสูงยิ่งชื่อเสียงของพระองค์นั้น เพียงแต่ใครน้อมนึกก็สามารถคลี่คลายกิเลสที่บีบรัดจิตลงได้ไม่มากก็น้อยการนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่าเป็นการทำให้พระพุทธองค์ได้ดิบได้ดีอะไรขึ้นก็เปล่าทั้งนั้นผลดีไม่ได้ตกอยู่แก่พระองค์แต่ตกอยู่แก่เราและผลนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีข้าวของเงินทองไหลมาเทมา แต่เป็นการเพิ่มความสะอาดขึ้นในจิตของผู้นึกนั่นเองจำไว้ง่ายๆว่าไม่ใช่เรานึกให้ท่านแต่นึกให้ตัวเรานี่เองที่พันธนามาตอนนี้เพื่อจะแบกทางให้ท่านผู้ฟังเห็นว่าเกียรติยศชนะภัยได้อย่างไรแต่พูดมาถึงนี่แล้วความก็ยังไม่กระจ่างทีเดียวเพราะเป็นเหตุผลทางจิตใจ ถ้าท่านเองจะรับไปพิจารณาอีกครั้งหรือสองครั้งก็จะได้ความเจมขึ้นเองและโปรดทราบว่าที่ว่าผู้มีเกียรติชนะผู้มุ่งร้ายนั้นไม่ใช่ไปทำให้ผู้มุ่งร้ายต้องเจ็บปวดล้มตายลงแต่เป็นการชนะความร้ายในใจของเราให้จางหายไปการชนะแบบนี้เป็นการชนะที่ไม่มีผู้แพ้ผู้ที่แพ้ คือกิเลสคือความร้ายในใจเช่นพระพุทธองค์ชนะพระองคุลิมานเมื่อครั้นยังเป็นมหาโจรความจริงปรากฏว่าในการที่พระองค์ต่อสู้กับพระองค์คุลิมานนั้นบังเกิดผลดังนี้พระพุทธองค์เป็นผู้ชนะพระองค์คุลิมานก็เป็นผู้ชนะ ความร้ายในใจขององคุลีมานเป็นผู้แพ้นี่คือชัยชนะของผู้มีเกียรติยศ